ธรมสรรนิมกาญชามิสังขังสร ความเดิมตอนที่แล้วตาบุษราและภริกาพ่คาสองพี่น้องถวายข้าวศัตุก้อนศัตุูผมแด่พระพุทธองค์และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นุบาศกผู้แรกในบวรพุทธศาสนาต่อมาเดินทางมาเฝ้าพระเจ้าสุโธธนะพระนาประชา บ, บดีตลอดจนพระนางพิมพาทำให้ทุกคนต่างดีใจที่รู้ว่าเจ้าชายสิทธายังดำรงพระชนชีพอยู่ ความชรารแะนกบวชดับวโสมาข้เฝ้าพระพุทธเจ้าและรู้สึกไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงกระชุนต้อนรับและทาความเคารพทําให้พระพุทธองค์ทรงท้อถอยในการประกาศพระพุทธาศาสนาสั่งสอนต่อชาวโลกทําให้ท้าวมหาพรหมรู้สึกตกใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหามบุรุษแห่งชมพูทวี ตอนที่27ได้หนะัก ไม่เชื่อไม่เชื่อวสิทธิ์ทัจะตรัสรู้เป็นพระมิจเจ้าได้อะเอะอะอะไรลูกเจวัตห์มอมฉันได้ยินคำล่ํำลือว่าบัดนี้มีาศาสดาตรัาาสรู้เป็นพระมเจ้าซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสียใจของมอมฉันนั่นก็คือสิทธิ์ทัตสวาหมีของผิมพาใช่ไหมละ่ะพอก็พอจะได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันนึกไม่ถึง วสิทธิัตถะจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีนักบระโยคีมากมายจะมาเป็นเพียงนับได้ส 10, ิบยี่สิถึง1 0อปีแล้วจุดสิทธทัตถะใช้เวลาหกปีแค่เนี้ยก็อวดอ้างมาหลุดพ้นเฮ้อคนโง่เขาบาร比าเท่านั้นที่จะยอมเชื่อได้แล้วเขาจะอวดอ้างรประโยชน์อันใดล่ะเทวทัตต้องมีประโยชน์แน่พระเจ้าข้า อาจจะเพื่อหาดาดสาวพกที่ลุ่มห ล, มลมงง่ายเพอมีสาวพบริวารหรือกําลังฐานมากเมื่อไร่เราก็ยังวางใจไม่ได้พระเจ้ขาข้าและเมืองที่วัดหักของเราอาจจะเป็นเป้าหมายของเขมันก็เป็นได้แล้วหลูกคิดว่าพอควรจะทําอย่างไรดีเรื่องนี้ทรงปล่อยเป็นหน้าที่ขอมอมฉันคนที่รู้ทันสิทธธรรมมีแต่ลูกเทวทัตคนเดียวเท่านั้น ทหารไหวมงคมพระเจ้าค่ะข้าจำได้ว่าจะติดตามรับใช้คำนาหลายปีและมีฝีมือกับไหวพริบดีกว่าใครจงกลมตัวเป็นชาวบ้านเดินทางไปคอจับตาดูความเคลื่อนไหวของเจ้าสิทธัตถะแต่อยู่ห่างาไว้พอได้ข่าวอะไรก็รีบนำมาบอกข้ารับด้วยกาวพระเจ้าค่ะ ข้าได้กางร่างแหเอาไว้ต่อให้เจ้าสิทธัร์บินสูงยังไงก็ไม่มีทางพ้นตขาที่ข้าเทวทัตที่กางดักเอาไว้ได้ <c oughs> แต่ท่านเท้าหมาพรมผู้เป็นใหญ่ที่ท่านเปล่งคําอุทานว่าโลกจะฉิบหายมีความหมายว่าอย่างไรผู้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าก็เช่นกันว่าแต่ท่านไม่ได้ด่าใครแน่นะองค์อินและเทพยาดาทลายที่ข้าอุทานคำนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าได้แทรกเข้าไปในความคิดของพระพุทธโคดมจนได้รู้ว่าพระองค์ทรงท้อถอยไม่ขนขวายนาความรู้แจ้งที่ได้ ไปสอนสอนต่อสรรพสัตว์ในรูปนี้โอ้งั้นก็ชิดก็แย่น่ะสิประชาชนชาวโลกไม่มีผู้ใดสร้างกุศลกรรมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่น่าจะมีใครที่ตายแล้วได้บังเกิดในสวรรค์เมื่อสวรรค์ว่างเปล่ามารก็อาจเข้าแทนที่ได้เช่นดังองค์อมรินว่าไว้แล้วพวกเราจะทำอย่างไรดีเรื่องนี้คงต้องพึ่งเท้าหาพรมแล้วละท่าน โปรดเธอเจ้าข้าื่อเห็นแก่องค์อินเทพยาดาทั้งหลายและเพื่อไม่ให้มนุษสยโลกถึงแก่วิบัติวินาศไปข้าจะไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อราษนาให้พระองค์สนิทไปเทศนาสอนสอนพุทธธรรมล้ำค่าของพระบรมศ า, ศาสดาในบัตรนี้ พระพเจ้าสามดีพรมผู้เป็นญาณในพระมลคื อ, อนามส ก, การพระพุทธเจ้ า, าเจ้าคข้าดูก่อนสหมดีพรมผู้เจริญท่านมาพบตถาคตครั้งนี้ด้วยมีกิจอันใดข้าพเจ้าทราบโดยพรมยารว่าพระองค์ผู้เปิดเสด็จผู้ตื่นผู้ตรัสรู้ผู้ดลุดพ้นจากบนดินใดๆกำลังทรงลังเลพระทัยในการประกาศพุทธธรรมอันจะนําสัตว์โลกผู้หลับใยผู้ไม่มีสติ ผู้ยังติดข้องอยู่ในอกุศลและจะไม่ส่งผนขวาในการเทศน า, ส, าสอนแก่สัตว์ทั้งหลายดูก่อนสหมดีพรมผู้เป็นใหญ่อันธรรมะที่เราตถาคตรู้นั้นแม้จะเป็นกุศลดนให้เบิกบานและอาจชี้แนวสู่ทางเข้าถึงซึ่งนิพพานได้แต่ก็เป็นธรรมะที่ยากเกินกว่าปุถุชนธรรมดาจะเข้าใจเพราะสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายเปรียบได้กับดอกบัวสีเหลา ข้าพเจ้ายังไม่เขา้าใจโรดวิสัญาให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงทะลุ ป, ปัญญาอันมืดทึบด้วยพระเจ้าคสหมดีพรหมผู้มีปัญญาอันประเสริฐบัวพวกแรกเกิดและจมอยู่ใต้น้ำไม่งอกขึ้นมาย่อมเป็นพักษาหารของเต่าปูปลาส่วนบัวพวกที่สองยังจมอยู่ใต้น้ำแต่มีกิ่งก้านแข็งแรงจนอาจจะชูดอกขึ้นมาได้ และบานภายในสามวันบัวพวกที่สามนั้นลอยเปริ่มน้ําจะบานในวันพรุ่งนี้และบัวพวกที่สี่ได้บานชูดอกตราการอยู่เหนือน้ําแล้วในวันนี้เหมือนผู้มีปัญญาอาจสามารถเข้าถึงพระสัจธรรมได้เพราะเป็นอริยะบุคคลบัวพวกที่สองและสามนั้นเหมือนผู้มีปัญญาที่น่าจะพอสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอกราบทูลอราธนาโปรดเสด็จเทศนาสั่งสอนผู้มีปัญญาและผู้ที่ยังหลับไหลแต่อาจตื่นขึ้นมาและมีดวงตาเห็นธรรมไดา้โปรดมีพระเมตตาต่อชนชาวโลกทั้งหลายด้วยเจ้าค่ะเจริญพรสหบดีพรหมผู้ประเสริฐเราตถาคตขอรับคำอาราธนาของท่านและจะนำพระธรรมอันเรารู้ได้เองนี้สั่งสอนผู้ที่ควรสอนต่อไป บูธังศรนังกระชา พวกข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงรับคำรัตาของท่านเทาา้าหม่าพรมโดยง่ายเช่นนี้บางทีอาจเป็นเพราะท่านคือสามบดีกรมผู้เป็นใหญ่คำรัตนาจึงมีน้ำหนักมากกว่าพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจผิดแล้วเท้าสังกะความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาต่อสัตว์รูทลายการผลขวาน้อยน้ำ เป็นพุทธประเพณของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้มาแล้วถึงสามรงและทุกพระองค์ลวนไม่เคยแสดงพระธรรมใิศสนาแต่พระพุทธโคดมทร ง, งดำริออกมาเพื่อเป็นโุบายให้ข้าไปเข้าเฝ้าและกล่กลาบภูราธนาให้ดีที่ทแท้เป็นเช่นนี้แต่ข้าพระเจ้ายัางสงสัยอยู่ดีท่านเทพพ ย, ยดาผู้ช่างมีความสงสัยข้องใจในเรื่องใดหรือท่าน ท่านไม่สงสัยบ้างหรือเทามะขวานว่าพระผู้มีพระภาคจ ะ, สะเสด็จไปโปรดผู้ใดเป็นอันดับแรกเพื่อให้หลุดพ้นจากวัตฏสงสารนี้พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีความกตัญอยู่กับตัวเวทีอาสเสด็จไปโปรดพระชนกพระชนณีก่อนผู้ใดก็เป็นได้หายสงสัยแล้วนะท่านเทพป ย, ยดาทั้งหลาย หลาบังคมพระเจ้าค่ะเจ้าเข้ามาหาเราด้วยเหตุอันใดหรือทหารอ๋อเดชะข้าพุทธเจ้ามาตามรับสั่งขององค์เหนือหัวพระเจ้าค่ะสเสด็จพี่มีรับสั่งเรียกขุณทหารมุนี้เข้ามาหรือเพคะถูกแล้วข้าชอบดีเจ้าฟังใครดีนะจงนํากําลังทหารเดินทางไปยังแคว้นมคดเพื่อพบพระโอรสของข้าและนาศิริกรมาที่ตรงกับิลพัทของเรารับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะ ถ้าสิทธัตถะไม่ยอมกลับมาละเพคะสเสด็จพี่ก็อาจต้องใช้วิธีบังคับด้วยกำลังก็ได้ถ้าใช้กำลังพลาดพลั้งอาจมีอันตรายได้นะเพคะอืมนั่นสินะประชามบดีและทหารทั้งหลายก็อาจจะมีความลาบากใจอืมนึกออกแล้วว่าน่าจะใช้วิธีไหนถ้าเจ้าชายตรถามว่าพวกเจ้ามาตามเพราะเหตุใดก็จงเพรทูลไปว่า รัวข้าและเมเหสีกาลังป่วยหนักในเวลานี้จึงอยากจะพบลูกสักครั้งก่อนตายจะไม่กลายเป็นให้ทหารพูดปดหรือโกหกกับลูกเราหรือเพคะ อ, อู้แล้วจะเป็นไรไปแล้วก็เพื่อให้ได้ศิัทธาขึ้นมาพี่กอดยินดีจมูกสาหรือว่าทำอุบายใดๆก็ได้เอาไปได้แล้วทหารพระเจ้าค่ะหมอ่อมฉันถวายบังคมดา เสียดายนะเพคะพระชายาเสียดายเรื่องเงินใดหรือเกษณีหม่อมฉันรู้มาว่าองค์เหนือหัวรับสั่งให้ข้าทหารนํากําลังออกไปตามหาพระโอรสเพื่อกราบทูลเสด็จกลับมาถ้าเจ้าชายสัญญาเสด็จกลับก็ดีแน่ซีเจ้าข้าพี่เกษณีองค์เหนือหัวก็ทรงคิดเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะแม่รัศมีก็เลยมีรับสั่งให้ทหารไปกราบทูลเจ้าชายว่าพระองค์กับพระมเหสีกําลังประชวรหนัก มีพื่ประสงค์ให้พระโอรสเสด็จกลับมาดูพระไทยแล้วมีอะไรที่เจ้าว่าน่าเสียดายตรงไหนก็ถ้าพระชายาทรงทราบว่าทหารจะเดินทางไปอาจจะทรงเรียกมาสั่งการให้กราบทูลเพิ่มว่าพระชายาหรือพระโอรสดาหุนกาลังประชวนด้วยนะสิเกคะอาจจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักและเหตุผลจนพระสวามีต้องรีบเสด็จเบาไวขึ้นก็ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าน่าเสียดายหรือเพคะ เราอยากให้เสด็จพี่เสด็จคืนมานะเกียิศีแต่คงไม่ใช่ด้วยวิธีมูสาอย่างนี้พอเท่ากับหลอกลวงด้วยเล่กลต่อเสด็จพี่ลองคิดดูสิหากเสด็จพี่ทรงรู้ว่าทุกคนพากันสมหัวมูสาจะทรงเสียพระทัยและความรู้สึกขนาดไหนถ้าไม่มีใครบอกจะทรงรู้ความจริงได้อย่างไรไหคะเคยได้ยินคํากล่าวนี้ไหม ล, ะละม่ะรัศมีความลับไม่มีในโลก่ย แล้วพวกเราต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าเสด็จพี่สำเร็จอภิญยาหรือได้ชาญสมาบัตถถึงขั้นไหนแน่ใจหรือว่าจะสามารถปิดบังความจริงพระองค์ได้ ข้าแต่พระผู้มีพระพาเจ้าเมื่อสุเปรียบสัตว์โลกเป็นบรรดุดอกไม้สี่เหล่าข้าเจ้ากับเทพีด า, าทั้งหลายตามคาดการกันว่าจะเสด็จไปเทศนาสั่งสอนเพื่อเผยแผ่บวรพรุทศาสนาเนวเร ว, วั น, นีดูก่อนสามบดีพรมผู้เจริญเราสถาคตก็คิดเช่นนั้นข้าพเจ้าคาดเดาวกับเหล่าเทพีดาทั้งหลายว่ารุ่งสุขมีความปตัญญูจึงจะเสด็จไปโปรดพระชนกชนนีก่อนผู้ใด ทาคตก็ตั้งใจเช่นนั้นแต่หลังจากพิจารณาด้วยยานสมาธิแล้วพบว่าพระบิดายังทรงมีมิจฉาทิธฐิในดวงจิตส่วนพระมารดาสิริมหามายาปัดนี้ได้สถิตยอยู่บนสวงสวรรค์จึงยับยั้งไว้ก่อนและจะไปเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมในภายหลังเราต้องพระไยว่าจะเสด็จไปประกาศอภิญญาแก่ผู้ใ ด, ดเป็นเบื้องต้นหรือเจ้าข้า เราตถาคตคิดจะเสาะหาผู้มีปัญญาสามารถเข้าถึงพุทธธรรมได้โดยง่ายอดีตอาจารย์ของเราอาราระดาบทเป็นผู้สำเร็จสมาบัตเจ็ดด้วยตนเองและบารมีย่อมสมควรจะเข้าใจพุทธธรรมนี้ได้เร็วกว่าใครๆเราจะไปหาอาราระดาบทผู้นั้น นักทรผู้มีปัญญาที่จริงข้าพเจ้าก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่องค์อบรินท่านกล่าวที่นี้แสดงว่ามีปัญหาใดข้าพเจ้าได้ใช้ทิพยเนตรสอด ส, ส่องมองไปที่สำนักของท่านอาราลดาบุจึงได้รู้ว่าท่านได้ถึงกาละหรือมรณภาพมาเป็นเวลาเจ็ดทิวาาราตีแล้วเจ้าขา้าถ้าท่านข่าวมาเขาวั น, วนยนันทรงรูร้ด้วยทิพยเนตร เหตุได้พระพุทธองค์จึงไม่ทรงทราบด้วยจักกุทิปล่เจ้าค่าะเมื่อก่อนที่ขาจะทูลาจากพระองค์มาก็ได้รู้ถึงพระพุทธดำเดชที่ว่าจะทรงใช้พุทธนุภาพหรือพุทธรมรรคีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทรงทําได้งั้นก็จะเสด็จไปเกอ้อนะสิข้าพเจ้าจะไปกราบทูลให้ทรงทราบดีกว่าช้าก่อนท่านขาวโปสีเรื่องเนี่ยโปข้าพเจ้าทั้หลา ขออาสาไปกราบทูลเองได้ไหรือไม่พวกข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าเฝ้ารับผู้มีพระภาอย่างชิดใกล้เพื่อนะให้ได้พุทธบารมีโดนให้บังเกิดกุศลกรรมแก่พวกข้าพเจ้าให้มากกวนี้ถ้าเช่นนั้นก็เชิญพวกท่านเถิดเทพ ย, ยดาทั้งหลาย ดูก่อนเทพ ย, ยดาทั้งหลายพวกท่านมหาเราตถาคตด้วยกิดอันใดพวกข้าพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งจะเสด็จเดินทางไปแสดงพระธรร ม, มเทศนาแก่อาราธดาบทการมาโคตจึงได้ชวนกันมาเข้าเฝ้าเจ้าขา้าอาราธดาบทเป็นผู้มีปัญญาน่าจะเข้าถึงพุทธธรรมได้โดยง่ายตถาคตจึงตั้งใจไปหาแต่ว่าเท้าโกหรือพระอิน ผู้มีทิพยันเนได้เห็นว่าอาราระดาบทนั้นได้ถึงการมรณะภาคลาจากรสรีลาสังขารแล้วเจ้าข้าน่าเสียดายอาราระดาบทถึงแก่ความเสื่อมเสียแล้วเหตุใดจึงตรัสว่าท่านอาราระดาบทถึงแก่ความเสื่อมเสียแล้วเจ้าข้าเพราะอาราระดาบทเมื่อละสังขารด้วยญาณสมาบัติที่ได้จึงนําให้ปิจุติในพรหมโลก ชั้นอรูปภพเป็นอรู ป, ปรุลมเป็นเวลานานนับแสนปีเมื่อไม่มีรูป ก, กายจึงไม่อาจจะฟังพุทธธรรมได้แล้วพระองค์จะเสด็จไปโปรดผู้ใดเป็นลำดับต่อไปเจ้าค่ะอุทธกะดาบทรามบุตรก็เป็นผู้มีภูมิปัญญาได้สำเร็จสมาบัตรปก็น่าจะเข้าถึงพุทธธรรมได้โปรดก่อนเจ้าค่ะนึกว่าเป็นผู้ใด ที่แทะองค์อมรินท่านตาผู้ข้าพเจ้าคื่อมาฝ้าพระพุทธองค์ด้วยจนได้พอข้าพเจ้าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจะเสด็จไปโปรดอุทกาฎดาบดรามโคดก็ใช้ทิพยเนตรสอดส่องดูทันทีจึงแจ้งว่าท่านอุทกกดาบดเพิ่งสิ้นชีพเมื่อราตรีที่ผ่านมานี้น่าเสียดายอุทกาฎดาบดได้เสื่อมไปอีกผู้หนึ่งแล้วเพราะจติไปบังเกิดในอรูปภพ เป็นอรูปภพลมเช่นกันจึงไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมของตถาคตข้าพเจ้ามีความสงสัยอรูปภพลมไม่มีความสุขที่แท้จริงหรือเจ้าค่ะนับว่ามีความสุขได้แต่แม้จะนานนับแสนปีแต่ก็ยังมีกำหนดเวลาจึงถือว่ายังไม่เป็นความสุขสถาพรแน่นอนเช่นนิพพานอาจารย์ทั้งสองท่านต่างละสังขาร แล้วพระองค์ท่านผู้วิชิตมาจะเสด็จไปเทศนาโปรดผู้ใดเป็นลำดับต่อไปเจ้าค่า ะ, ะาะะาเัก นามผู้สแสดงสัจพจน์สีหเมธีปัญทรัตน์คณเกียรติบริรชฌ์สรรสีศริยาพรวรการเจริญดีเปรียมกมลโชติกาเสถียรฐานิตสีสินรัตน์เกณฑิตเรืองศีสุพิศราพัน์เจริญพิทยารักสุทธิพัฒน์อ่อนปราจรุพัฒน์วเวตระศ์โชติกาเสวตระศ์อ่อนวินาเจริญพิทยารักนัทพงศ์วัฒนาบุญญามัตตุสินวรการเจริญดีกำกับการสแสดง สัจพุธศีหามีทีอํานวยการผลิต